บุ <Book> <16. S 3> ๊ทูสิบหกปาดหารุเรือดูและอากาศรูตุบลูมาริโอ ว, วาตาบรันมนี้คือเรือดูอีวีรูตุบลูหรือดูใบไม้ผลิหรือดูร้อน วสันต์รูตวุว์กริชมรูตุรืฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซีซันรุตวุวูมาริโอเฮมันตรุตุว์ฤดูร้อนอากาศร้อนกริชมันเบชเกอออนตุนดีพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อนกริชมันล่ะสูริยุคก้อนเดือเวดจลลุตา ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นเมโมกริชมันละนราบถานิกีอิสต์ปาร์ตามโมฤดูหนาวอากาศหนาวเฮมันตัมฉัลล์กาอุนตุนดีในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกเฮมันตันโลมันชูเลดาวัชบัตุดีในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน เหตุผลตั um ้งหลลอย์เม ok. ื่อไง้ยินที่โหนี่วันรัตน์นี่ชอบปรตตาโม่น้าวชลีกาวนดีฝนกำลังตกวมปรตุนดีมีลมแรงพิจิกาลีกาวนดีอบอุ่นเวจชะกะวดีแดดจัด ยังไงุ่นดีท้องฟ้าโปร่งมโนธรรมก้าวอุ่นดีวันนี้อากาศเป็นอย่างไรอีรุจุว่าตาวรณ์น้ำเยลาุดีวันนี้อากาศหนาวอีรุจุลี่วอดีวันนี้อากาศอบอุ่นอีรุจุเวชชะก้าวอุดี Music